ความจริงพุทธพจน์ทํานองเดียวกับที่ตรัสแสดงนิพพานสองอย่างนี้ยังมีอีกหลายแห่งข้อความคล้ายกันมากและลําดับความก็อย่างเดียวกันมีเนื้อความมากกว่าด้วยซ้ําอีกทั้งกล่าวพาดพิงถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันด้วยต่างแต่พุทธพจน์เหล่านั้นกล่าวความต่อเนื่องกันไปตลอดไม่แบ่งแยกประเภทและไม่ระบุชื่อนิพพานอย่างใดๆทั้งสิ้นขอยกมาเพื่อช่วยกันพิจารณาเป็นตัวอย่าง บางทีจะเป็นเครื่องเทียบให้ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างดังนี้ในปริวีมังสนะสูตรสั่งยุตินิกายนิทานวักมีพุทธพท์ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละอวิชชาได้วิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะสำมลอกอวิชชาได้เพราะวิชาเกิดขึ้นเธอย่อมไม่ปรงแต่งปุญญาพิสังขารไม่ปรุงแต่งอาปุญญาพิสังขาร ไม่ปรุงแต่งอนเนจชาพิสังขารเมื่อไม่คิดปรุงไม่คิดเสริมแต่งย่อมไม่ถือมั่นสิ่งใดในโลกเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่กระวนกระวายเมื่อไม่กระวนกระวายย่อมป ร, รินิพานประจัก์เองทีเดียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่แล้วกรณียะได้ทำแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก หากเธอเสวยเวทนาที่เป็นสุขก็รู้ชัดรู้เท่าทันว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นตนไม่ได้สยบรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นตนไม่ได้ติดใจผัวพันหากเธอเสวยเวทนาที่เป็นทุกหากเธอเสวยเวทนาที่ไม่ทุกไม่สุขก็รู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงตนไม่ได้สยบ ตนมิได้ติดใจผัวพันหากเธอเสวยสุขเวทนาก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัวหากเธอเสวยทุกขเวทนาหากเธอเสวยอังทุกขมสุขเวทนาก็เสวยเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัวเธอนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายคือเวทนาทางถวาวรห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตคือเวทนาทางใจก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตเธอรู้ชัดว่าต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทําลายอารมณ์ที่ได้เสวยทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจผัวพันธุ์จกเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เองเหลือไว้แค่เรือนร่างพิกษุททั้งหลายเปรียบเหมือนว่า บุรุษยกหม้อร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางไว้ที่พื้นดินเรียบส่วนที่เป็นไอร้อนพึงสงบหายที่หม้อนั้นเองดินเผาคือตัวหม้อคงเหลืออยู่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตเธอย่อมรู้ชัดว่าต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทำลายอารมณ์ที่ได้เสวยทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจพัวพันจักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เองเหลือไว้แค่เรือนร่างในทาตุวิภังคสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่า ประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโพรงอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันสิ้นไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันไม่ใส่ไส้อื่นหมดเชื้อย่อมดับไปชั้นใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตเธอรู้ชัดว่าต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทำลายอารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจผัพวพันจักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เองข้อความตอนท้ายว่าจักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เองก็คือจักเป็นของเย็นอยู่ที่อายตนะสบสองนี้เองหมายความว่าหมดพิษสง หมดอิทธิพลอยู่เพียงแค่อาณัตนาส2บสองเท่านั้นหรืออีกสำนวนว่าจากเป็นของเย็นอยู่ในอัตภาพนี้เองคือไม่เลยต่อไปเกิดปฏิสนธิใหม่อีกแต่ในบาลีอีกแห่งหนึ่งคือในวัปปะสูตรอังคุตรานิกายจตกรนิบาตมีพุทธพจน์ที่มีความต่างมากกว่าแห่งอื่นคือมีคำบรรยายและอุปมาแปลกออกไปดังนี้ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจำหกประการคือเธอเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธะะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจ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 จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เองเปรียบเหมือนว่ามีเงาปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้คราวนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้ามาเขาตัดต้นไม้นั้นที่โคนคร้นแล้วขุดคุ้ยเอารากขึ้นโดยที่สุดแม้เท่าต้นแฝกก็ไม่ให้เหลือเขาตัดผ่าต้นไม้นั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เป็นซิกซี่ พึงลมและแดดให้แห้งแล้วเผาไฟทำให้เป็นขี้เถ้าโปรยไปในลมแรงหรือในแม่น้ำกระแสเชี่ยวเมื่อทำอย่างนี้เงาที่ปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้นั้นย่อมเป็นอันถูกถอนรากเป็นดุจตานยอดด้วนถูกทำให้ไม่มีหมดทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไปแม้ฉันใดภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ก็ฉันนั้นย่อมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจำหกประการอารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจผัวพัน์จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เอง